เราสวดซ้ำๆเนี่ยเราสวดซ้ำๆนี่เราหลับตาสวดได้เราสวดซ้ำๆนี่เราหลับตาสวดมันก็จำไปในตัวเราหลับตาสวดสวดซ้ำๆเพลิ่อนกลอ่อ ตอนมีอะไรมาขึ้นเดือดเดืนอนฮะ <c oughs> อืมใครขยันหาหมาหน่อยนะหมาหน่อยคือมัด บ, บ๊อเป็ดเราเรามีอะไรอ่ะ คำไหนเป็นซังทองคำเดี๋ยวเราลบอกใคกันหน่อยว่าถเยอะเท่าไหร่งบาทบาทนึงเอาไปเอาไปสมเด็จพูดอค่อะขึ้นมาเป็นซังสมเด็ จ, จ้นุ่นเล็กซังเยอะสมเด็จท่านไปเอานู่นเหรอเออ ม, มื่อกีคนขับร ถ, ถไถไม่หมอจนว่าคู่ติด ล, ลูลกเรียนครับแล้วเป็นไงานดีใช่นไหมว่าอาการกไหน เ ข, เขาจอเจาะท่อแล้วให้เลือดลอยท่อเลือดออก <S <S ทอเลือดท้องเลือดค้งางเลือดอ อ, อ, ออกตรงไหนรู้รู้แล้วใช่ไหมไม่ไมออทันีเรา่ออกนะี่ท่อจะจออกตรงไหอมิด อ, ออกมองไม้ี่หยมองไม้มองเก่ามันออกที่กเพาะกับลำไส้เล็กกับเพาะกับลำไส้เล็กมันอักเสบใช่มันบวมเป่งออกมามันไม่ใช่ของที่มันตกไปค้างอยู่อันเก่า า่าได้เจาะเจาะแล้วเอาใส่ยางค้ังให้เลือดมันออกตรงนี้เพื่อมันออกได้ง่ายเลยครับเื่อบันไดมนข้นหรืเจ็บเลือดต่าเรื่องเลือดต่าต้องให้เลือดค่อยระยำยังไม่ทันห่ก็ได้ว่าไม่มีปัญหาเรื่องเกี็ดเลยมัน ม, มีปัญหาคือคือมันมีพอจะอยู่บางนั่นนะผมกฟั ง, งทางวิดโท่มากขึ้นพาพันธุ์ใหญ่พจารันเอา ท่องๆไปทำามผู้จัดในนี้ไว้ต้งคำบาดหนี่งก็หายด้อเฮสิบมากเมื่อกีนมันยางผู้จย์ไปซื้หไปก่อนใช่พวกนี้เราก็ไปละใบสามขึ้นเครื่องไปตรง้งท่านไม่ได้ไปคนนิมนต์มาก็ต้องไดิไปกลายนอน วัน15ด้วยแล้วก็วันที่16เป็นเป็นวันเผาวัวนเผาจะออกมาเลยก็ยังไงอยู่ก็เลยจะนอนแล้วก็ตะเหลิมชวนออกมาตอนเช้ า, านอนนอนลุกมารถตนเช้ามาฉันกลางทางมารถตอนกลับมานี่จะมารถเราก็จะเข้าไปจางอาจารย์บุญทันไปจ้างบุญทันอนาะจารย์เหลิม จะไปนอนเข้าไปสวดเสียก็จะกลับแต่เราก็เบิกซะก่อนเน่ยสวดเสียจะกลับแลืวเปล่ามารุ่นอะ่ะต่ว่าอาจารย์สมุดกับนบ่อยมากว่ามีคนขับรถเลยอาจารย์สงบอาจากย์วัดอาจสมุดรุนสูงกันอ๋ออยากสมุดต้องออกไปหมดแต่ไปหาไม้ทางหนองคายต่อไปไออาจารย์รร อ, อ้วนกํ า, า, างลงาัาาาลางเทศอยู่พอดี ก็เลยไปนั่งนั่งแป๊บเดียวร่วมประเทศ40กว่านาทีเสร็จแล้วก็สวนมาติกาบางตะคุณถวายของแล้วก็ไอพนวันชักผ้าชักผ้าเสร็จก็กลับมาเนี่ยไปเอาหินอีกแกลนิตได้ยุบกระไรไม่น้องครับไม้น้องคายไม่มีแพงโพดเพราะว่าก่อนที่เราจะไปเราไปถามที่กรุงเทพแล้ว กุงเทพไม้เปลือยเนี่ยอบใสรางลิ้นหน้าหกอบใสเรารางลิ้นเนี่ยหน้าหกสองเมตรสิบเซนเนี่ยตกไปตรองตารางเม็ดละหนึ่งพันหนึ่ง้เจ็สิบาทที่นู่นหนึ่งันห้ารอบาทที่นู่นที่น้องขายหนึ่งห้าบาทถามดูไม้สัก โอ้ตารางเมละหมืนห่นฮะตรางเมตรละตารางเกลียวพันหา้าเ้ยตารางเมตรละสักห้าพันไม้สักไม้ตรางเมละห้าพันไม้มะค่าตารางเมละสามพันไม้แดงตารางเมละสองพันไม้ตะแบกตรางเมละพันห้าแต่เราไปถามที่นู่นไปแล้ว แต่ที่นมไม่มีไม้สักเราไปเห็นตัวอย่างงามไม้เปลือยเนื้อละเอียดอกรางิ้นใสนี่แหละหน้านี่แหละไม้ ร, นนมรุ่นนี่แหละไม้พืนรางิ้นนี่แหละก็เลยให้เจียงเอาให้สามร้อยแผ่นเขาแถมมาเท่าไหร่เกียรติสก็เสร็จแถมไม้สิบแผ่นหนึ่งแสนหนึ่งพันเท่าไหร่ นึ่งแสหนึ่งพันเจ็ดร้อยโอนโอนไปเียสามเดียบร้อยแหละจะเขาจะส่งมาเมื่ อ, อไหร่บกว่าถึว่าจะมาเมื่อเมือเกงเกิดทงมัจันทร์วันนี้วันอะไรฮะวันนี้วันคู่ขัดคู่รหัสครับครหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์แต่ใดวันไหนมากวันไหนมาก่อนแล้วมาก่อนของไม่มีเลย ไหนอ่ะทองอยู่ไหนซีทองไอสือไอ้อ่าเอาเอาสือบว่ายดิเออพากันอธิษฐานช่วยท่้นสวยด้ท่ันสวยอายุยังน้อยอย่าด้ยังไ่ต้องอายุได้หกสิีอยู่อยู่มไปเยี่ยมก็อยู่ห้องไอซีอ่อายุห้าสิบเอ็ดเองอายุห้าสิบเอ็ดท่านสวยนะ ตัวาเท่าไหร่นะยี่บกว่า2ีส่อว่สัเลยนสยเป็นยังไงมังนู่นัง ม, มีทางไปรามีน้องปลอเลิศนี่น้งพลาเลิมเนี่ยลงมาลงมาลงมาเหลือสิบแปดเซนสเปอเนี่ ย, ยไทยสิบห้าปรเ็นก็ได้ฟอกไตเลยนรุ่ไปพปอดีก็ฟอกไตพอดีชอ แต่วิธีฟอกไตนี่มันเป็นวิธีที่เจาะตรงนี้แ ล, ล้วรูต่อเส้นเลือดใหญ่เนี่ยเส้นเลือดใหญ่ขึ้นคอตั้งแล้วก็รูดออกแล้วผ่านไปแล้วเข้าเครื่องเข้าเครื่องแล้วมาเข้าคืนวิธีนี้ก็ปลอดภยัยปลอดไปภัยจากการติดเชือ้อมันมีวิธีหนึ่งคือเจาะท้องเจาะท้องนี่เขาบอกว่าต้องระวังถ้าระวังไม่ดีติดเชือ้อติดเชือ้อง่าย ที่เขาจะส่งไปทางสริราชถ้าเผื่อมีการเปลี่ยนไตเขาไปฝากตัวไว้ที่สริราชให้รีบดำเนินการใครเป็นคนรีบดำเนินการให้กับมรู้เนี่ยักเกียรติห<ข>มอวันเทียน ที่หมอวันเทียนก็รภาระดูแลอยู่นู้นดูแลในานามในานามกอเราเพราเราเป็นกรรมการมูลนิธิก็ใช้จ่ายบางอย่างก็ถือว่าหมอวนเทียนเขาดูแลให้ตามีการส่งตัวต้องเสียค่าส่งค่าอะไรตัวไรเปิดกระูดลงหน้าไปแล้วเอาเอาปัจจัยของมูลนิธิ เขาก็พูดให้ความมั่นใจในการดูแลรักษาแม้มแต่จะฟอกเลือดออออโดยไปจะฟอกเลือดจะฟอกเลือดโดยวิธีใดเขาพยายามจะเขียนเรื่องเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะ เ, เขาอนุมัติม า, กาเกี่ยวกับเรื่องเจดจนี้เพราะมันไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อแต่มันขึ้นอยู่กับการทำเรื่องเองนะ เจาะสองแห่งนี่แนะเจาะตรงนี้กับเจาะตรงนี้เนะี่ยขึ้นอยู่การทำเรื่ององีกเพราะฉะนั้นต้นเรื่องต้นเรื่องคือที่สารคามต้นเรื่องที่สารคามหมอสมชายอ่ะหมอสมชายที่เป็นที่เป็นอาของอทิศเงินหรือเปล่าหมอสมชายให้หมอสมชายแล้วดูลูกศิษย์ หมอที่อยู่ทางนู้นมีไหมหมอผูชายช่วยกํากับให้ช่วยทําเรื่องให้แบบนี้แบบนี้เพราะว่าเราไปวันนั้นหมอผู้ชายรถยนต์ก็เลยคิดว่าจะพยายามช่วยเองช่วยกันยำช่วยการแก้ไขไปการเจ็บเพื่อได้ป่วยเจ็บปัจจัยหลายอย่างการเจ็บการไข้การป่วยนั่งตามสบาการเจ็บการไข้การป่วย ท่านฉันมามาน่อยเนาะเฮ้ยนี่มันเสือโครง่งนั่นน่ะนี่อะไรนี่กล้วยนะกล้วยนำบาเช็บฉันเจ็บใครได้ป่วยมันมีทั้งเรื่องเกา่าเรื่องใหม่กรรมเก่ากรรมใหม่สิ่งเหล่านี้มันโยงเข้าหากันหมด เรื่งของกรรมกรรมใหม่ก็คือความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละกรรมใหม่จะมีอะไรจะคืออะไรเราพูดถึงกรรมโอ้กรรมตัวหนักเหรียญหนัากลัวคอยทําร้ายคอยให้โทษเลยลืมหันมาดูพฤติกรรมของตัวเองคนต้นตอของกรรมก็คือพฤติกรรมของตัวเองกาจกรรมไว้จีกรรมมโนกรรมมาจากมโนกรรมทั้งนั้น กรรมเกา่ากรรมใหม่ไอ้พวกที่มีกรรมเกา่าส่งมาแล้วเนี่ยเวลาไปประจบกรรมใหม่ปั๊บเรื่องมันกเป็นได้ง่ายโน้ตี่เราเคยคิดที่ไหนพระเรียนรู้แต่แท้ๆทั้งๆ ท, ท, ที่รู้อยู่ฆ่าตัวตายเป็นโทษเป็นโทษเจอพระฆ่าตัวตายมัดคอตายมาหลายองคนะ์แล้วเจอพระมัดคอตายนี่คือกรรมใหม่กรรมเกา่ามันประจบกัน ตัวอย่างมันอย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยกรรมเก่ากรรมใหม่มันประจบกันเวลากรรมเก่ามันไปไประจบกับกรรมใหม่มันก็ไปช่องเดิมอะกรรมันกรรมมันก็สอ ด, สอดอเข้าไปช่องเดิมแทกเข้าไปช่องเดิมสลับผู้ฆ่าตัวตายไปเจอเรื่องอารมณ์ทุกข์ร้อนใจมันก็หมุนไปช่องเดิมละตัดสินใจง่ายๆไปช่องเดิมแล้ ว, มลวะมัดขอตาย พระเนี่ยรู้กันทั้งนั้นแหละพระเนี่ยฆ่าตัวตายฆ่าตัวเองตายก็ถือว่าทําอัตตาวินิบาตทําชีวิตให้ตกล่วงก็ถือว่าบาปหนักแต่ทํำไมพระต้องทําพระมันเกี่ยวข้องกับกรรมเก่ามันเกี่ยวข้องกับกรรมกรรมเก่าท่านเชอว่าหร้ชาติอย่าไปหาทำอย่าไปหาอุตริอย่าไปหารเริ่มเด็ดขาดทําลงไปแล้ว500รชาติห้าร้ชาติพึ้งเดียวพึ้งเดียวพึ่งเดียว คำชั่วช้าละมกเลวสามเน่ยทนาระวังห้าร้อชาติให้ผลพึ้งเดียวพึ่งเดี่ยวห้ารอชาติดูดูดีพระโมคลลานะห้ารอชาติยังไม่หมดเองไหมเป็นพระราหันแล้วมันอยากตามมาเอาพระโมคคลลานะ ก, กรรมเก่าปไปจุบกรรมใหม่ยังไงเราดูที่เวลากรรมกรรมใหม่ของท่านมาจะเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมาประจบกับกรรมเก่าพระโมคคลลานะท่าน ไปสวรรค์ก็ได้เอาเรื่องบนสวรรค์มาเล่าชาวบ้านฟังชาวบ้านเริ่มสส่ศรัทธาไปนรกก็ได้เอาเรื่องในานารกมาเล่าชาวบ้านฟังชาวบ้านเริ่มใ ส, ส่ศรัทธาคนเราต้หาเขาเริ่มใส่ศรัทธาแล้วก็เขาก็ไทยความศรัทธาภาษาธาตุศัพ ก, การะทายทานทั้งหลายทั้งปวงก็ไปกายไปกองหลั่งไหลกันไปทําบุญกับพระโมคคัลลานะนะนะลกูกศิ พวกเดรัธีทั้งหลายมันก็อยู่กับสถาากันน่ะเนี่ยพวกเดรัธีทั้งหลายก็เดือดร้อนนั่นเองอดอยากเหี่ยวแห้ง <c oughs> <c oughs> ฝนมันไปตกที่อื่นหมดมันไม่ตกใส่นางตัวเองแห้งเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เรื่องนี้มันเกิดได้ยังไงเนาะกลายเป็นว่าพระมกุฎลานะดังมากดังด้วยเรื่องเหล่านี้กลายเป็นเหมือนว่า <c oughs> ทําให้สักัการะของพวกนั้นเนี่ยมันตกไปทุกเดือดร้อน โอ้ยทุกเดือนร้อนจะต้องมาทําอะไรอย่างนี้ให้นักเลงมาจัดการนี่แหละเห็นไหมกรรมใหม่ของท่านคือความโดังดังของท่านเห็นไหมความดังดังกรรมเก่าก็คือท่านอดีตชาติอดีตกรรมท่านเคยมากฆ่าแม่แม่มานี่กรรมเก่าพอเวลามันมาประจบกรรมใหม่มันก็ให้ผลกรรมเก่ากับกรรมใหม่มันให้ผลอย่างนี้เราโยงไปใส่ได้กับทุกเรื่องทุกกรรม นี Na, no, ่าหลทังกบด้อยูที่ออดอเก็บใค่ไหนกวยบลอยลอยชอบเบียดเบียนสัตว์ชอบเบียดเบียสัตว์น่ถ้าใครคิดคิดว่าพระพุทธเจ้าเขียนเสือยววกลัวก็ลองดูสิพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เขียนเสือยวัวกลัวท่านพูดจริงจังแต่พวกเราเหลือเชื่อไม่ยอมเชื่อ ก็ไม่ไม่ยอมให้คุณค่าของพระศาสนาพระพุทธศาสน า, ไ ม, ามสไม่ให้ความสําคัญไม่ให้ความศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้ความพิเศษเกี่ยวกับเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องเวรเรื่องภยัยเรื่องกรรมเนี่ยนะวันนี้เห็นก็พูดว่ามีคนจะไป ย, ายาังผลักดันพระศาสนาไปจํย า, ยาชาดิแล้วเขาก็ไม่เอาเอเากปัดออกอีกเขารู้จักคุณค่าของศีลของธรรมไหมไม่รู้จัก รู้จักคุณค่าของกรรมไหมมันมีศาสนาไหนที่สอนหลักของกรรมตรงแนวโ อ, อมือกอย่างที่ปริญญาสอนไม่มีหลักของกายกรรมวิจีกรรมนุกกรรมมีหลักศาสนาไหนก็สอนบ้างกรรมให้ผลยังไงปฏิกิริยาการตอบโต้ของกรรมมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทําลงไปแล้วเป็นกรรมได้ยังไงและมันให้ผลได้ยังไงมันตีมตันอันโตู้ไปเหมือนคิดคิดออกได้ยังไง ท, ทิ่เจ้ท่านมองทะลุผปบลงหมดแต่ท่านไม่เด้หลับตื่นลืมตามาแล้วก็ได้สร้างอธิษฐานปรารถนาเอาทานสีเน่ธมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาอุเบกขานี่ก็เป็นบารมีนะเราควรใช้ในคราวไหนอุเบกขาบารมีเราก็ใช้ได้อย่างนี้แหละ บางทีเราก็เจเมตตาไปโอ้ยเมตตาเวยนู้นล้วก็เล่าเฉยนี้แล้วก็แล้วช่วยนั้ น, ลนแล้ ว, วลก็แล้ ว, ว, ยลลวอยากหายจะอะไรก็ไม่หายโอ้ปลงลงในกรรมขอเท็จจริงกันต้องปลงลงในกรรมการที่ปลงลงในกรรมมันเป็นการเพิ่มปัญญาถ้าไม่เรบบามองเห็นเหตุอสอมาที่ผลเรพิจารณาผลสอบไปที่เหตุ พวกเราสนมากพวกเราไม่เชื่อกรรมเพราะสติปัญญาของเรามันตีบตันแค่นั้นสติของปัญญาของเรามันตีบตันดูไม่สรุปดูไม่ออกสัทงที่เราทําแท้ๆทําด้วยมือด้วยตีนด้วยปากเจ้าของแท้ๆอะไรเนอะอะไรเนอะทาไมต้องเป็นเราเนาะทำไมต้องเป็นเร า, นาเนอะมั น, นดูไม่ออกไม่ยอมรับ ยอรับที่ไหนทารที่กรรมง่ายๆกรรมเราศึกษาเรื่องกรรมระดูมาง่ายๆเอาแค่เรารับทานอาหารเข้าปากลงมาและอิ่มท้องนี่นี่ก็คือกรรมพฤติกรรมที่เรารับทานใส่ปากเข้าไปแนละเ้วเคี้ยวกลืนลงท้องแล้วก็อิ่มท้องนี่คือกรรมคือกิริยาของกายกายกรรมเอาไปตีสัต ไปฆ่าสัตว์ปักปเนี้ยนี่ก็คือกรรมแต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นมันมันโทษน้อยถ้าเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นฆ่าสัตว์เนี้ยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสัตว์อื่นแล้วรักทรัพย์เหม่มันเกี่ยวข้องกับคนอื่นแล้วเพิ่มพิ่มผิดโูคผิดผัวผิดเมียแน่มันเกี่ยวข้องกับคนอื่นแล้วถ้าเกี่ยวข้องกับคนอื่นที่ไรเมื่อไหร่มันหนักกรรมมันหนักอนอกจากผลกรรมที่เราทําให้ผลเราแล้ว ไฟตรงข้ามมันพยาบายจองล้างจองผลาดจองเวนจองกรรมีดูสิมันยุติลงที่ไหนกรรมมันให้ผลได้ยังไงกรรมเราทำลงไปแล้วมันให้ผลได้ยังไงมันน่าเชื่อหรือเปล่าเราดูมาง่ายงายเพื่อเราตัดปัญหาที่ว่ามันไม่น่าเชื่อดูมาที่เราใส่ปากกลืนลงท้องอิ่มท้องนี่นี่คือกรรมชัดๆนี่แหละนะ เดินตากแดดร้อนเปียเปยเปยเป้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงนี่เห็นร่มไม้วิ่งเข้าร่มไม้นี่คือกรรมกายกรรมประอยู่ใต้ร่มไม้เย็นขึ้นมาเนี่ยไม่ร้อนร่มมาก็ดึงร่มร่มมาเลยกลางแม่มถูกแดดจังๆเนี่ยอา้าวเย็นลงนี่คือกรรมกิริยาของการกระดกกระดิกชี้แปลงที่กายที่วาจาที่าออกกรรับมันมาจากใจนั่นแหละมโนกรรม แต่ถ้าเอาไปทำผิดศีลเป็นเวรเป็นภยัยเป็นบาปเป็นกรรมบางทีก็ผิดธรรมอยู่ข้างในนึกคิดอยู่ข้างในอย่าลืมว่านึกคิดอยู่ข้างในไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นถ้าคิดเรื่องชั่วมันก็ทับถมมวนใจข อ, ของเราเองจากคนที่ดีๆนี่แหละสัมมาทิฏฐิเชื่อบุญเชื่อกรรมนี่แหละนึกคิดออกนอกลูนอ ก, นอกทางมากๆเข้า จากคนปเป็นสัมมาทิฏฐิกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาทันทีเลยโอ้ยพ่อมีบุญที่ไหนแม่มีบุญมีคุณที่ไหนบุญคุณที่ไหนมีที่ไหนมันปฏิเสธเฉยเลยเลเรื่องของกรรมไม่ได้ศึกษาน ห, หนูบอกตามบอทเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้พิจารณาไปตรงไหนดูไปที่พฤติกรรมของเราตรงไหนมันจะเรื่องของกรรมทั้งหมด ควสุขความทุกข์มาอย่างไหนมันก็มาจากกรรมความดีความชัวม ì, วม่วมาอย่างไหนมันก็มาจากกรรมบุญบาปมาอย่างไหนมันก็มาจากกรรมรกสวรรค์มาอย่างไหนมันก็มาจากกรรมอยู่ไม่เท่าเดิมพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตายเกิดตายแล au, Legend, ้วเกิดเล่าเกิดตายเกิดแก่เย็บตายเกิดแก่เย็บตายมาอย่างไหนมันจะกรรมมองเห็นกรรมเป็นเรื่องใหญ่ กรณีว่าโอเบกขาบารมีมันกช่วยทาให้เราพิจารณาขวนอย่างนี้นะเพิ่มปัญญาน้อมาเกี่ยวกับเรื่งวิปัสสนาเนาะมาเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานมันเข้ากันทำให้เราสนใจทำให้เราเข้าใจปัญหาชีวิตได้ดีมันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างที่เราจะขยับเดินผิดขยับเดินถูก เมื่อเรานลกเราคิดมาตรงนี้จะทำให้เราขยับอยู่หัวเรี่ยวหัวต่อก้าวผิดหรือก้าวถูกเดินผิดหรือเดินถูกการได้ยินได้ฟังการศึกษ า, ก า, ก, ษาการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องสําคัญการได้ยินได้ฟังการศึกษาการเรียนรู้สุตะจินต์ักเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปฟังจากปากของขอ ง, ของคนอื่นเสียงของคนอื่นจินตักจินตักศึกษาเรื่องก จิตตามมิจฉาปัญญาสุตตามมิยฉปัญญาจิตตามมิยฉาปัญญาคนมีปัญญานึกคิดใคร่ครวญนะั่งเกิดปัญญาตาไปเห็นรูปก็เกิดปัญญาหูไปได้ยินเสียงก็เกิดปัญญากลิ่นรสสัมผัสอะไรแต่ละอย่างอยา ก, ยากเกิดปัญญาไม่จําเป็นว่าจะต้องมีคนอื่นมาบอกมาสอนสิ่งนี้มัน คอยคอยกิริยาทั้งหลายเรื่นี้มันคอยปลุกให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้ครวนคุณสมบัติที่ดีของใจขยังเรื่องเข้ขามาปลุกขึ้นมาสติสมุทจนจะทำให้เราไม่ประมาทไม่นีนอนใจจะได้จะได้ทำให้เราสำรวมธรรมะเรวังในกรรมเราต้องเชื่อพุทธิ จุกภาพร่างกายอดๆแอ่แอ่เพราะอดีตกรรมชอบเบียดเบียนสัตว์ท่นว่ากันนะคนที่เกิดมาอายุสั้นเพราะชอบฆ่าสัตว์อายุยืนยาวนั่นแหละแต่อดๆแอ่แเจ็บไข้แดงป่วยอยู่นั่นแหละชอบเบียดเบียนสัตว์ชอบทรมานสัตว์เกิดมาแล้วอายุสั้นเพราะชอบฆ่าสัตว์ เกิดมาแล้วไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเพราะอาดีตกรรมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มันมีน้อยไม่ค่อยมีแต่ถึงยังไงร่างกายก็ต้องอจะค่อยได้ป่วยเพราะร่างกายมันเป็นส่วนปรุงส่วนประกอบเป็นระเบียบเป็นระบบเป็นระบอบหลายอย่างมาปรุงกันมาประกอบกันโอกาที่มันจะอยู่เท่าเดิมอยู่ยากมันขับเคลื่อนตัวมนเลยทุกขณะของจิต ไม่ว่าจะวอกใจนะกายก็เหมือนกันมันอยู่ของที่ที่ไหนดูสินั่งกันครึ่งชั่วโมงหนชั่วโมงสองชั่วโมงน่เดขับถ่ายแลปัสสาวะแลลุกลปิลิปิลลุกล ล, ก ล, ล, ก ล, ล, กลไมมันไม่อยู่แล้วเดิมไหออกโดยชัดๆกระดดหายใจเข้าหายใจออกทหยุดนิ่งเหมือนเดิมได้ไหมยูม่นิ่งไม่ได้ พิจารณาเรื่องว่าลูกันลุกลไปหมดมันเป็นการศึกษาเรียนรู้การเรียนรู้การศึกษาด้วยจินตามมิจฉปัญญามันจึงเข้ากันได้กับธรรมปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนามันเปนเรื่องของวิจัมันเป็นงานของใจัยาศึกษามาไขาครัว พินิจพิจรารณาจะติดใช้ปัญญากับนันจดจอ่อใช้สัญญาคาดคาดเดาเดานักหนักเข้าสัญญาตอนนี้จะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาระดับหนึ่ที่ปัญญาที่แท้จริงยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องอาศัยสัญญาผลขั้นสัญญาก็ยังให้ผลได้ ลลรเราลองพิจารณาดู ร, ร่างกายปฏิกูลโซโครเปผยเนา่ากำหนดให้เป็นกลิ่นลองดูสิกำหนดให้เห็นว่านอนจบยุยุบยัยบยุยบยัยบยุยบยัยบเต็มใหหมดเปผยยุ้ยยุบยับยุบยับยุบยับใจหดหูสลบทั้งเวทเบื่อหน่ายขยับม้วนกลับเนีเปลี่ยนรูปคับ พิจาราเรื่องเหล่านี้มันวนกลับมาม้วนกลับมาหาตัวเองท่านบอกว่ามันม้วนกลับมาเหมือนอะไรเหมือนเหมือนเราเอาขนนกนะยนใส่ไฟมันก็จะม้วนกลับเหนะมือนเอาของอะไรที่มันถูกร้อนแล้วมันหดห ด, โ ด, โ ด, โ ด, โดไปใส่ลงไ ป, ไปมันม้วนกลับใจของเราที่เอาสัญญา เกี่ยวกับเรื่องความปฏิกูลโสโครไปกำหนดจุดจบไปพิจารณาทาให้เราเบื่อนายได้จริงๆจนกว่าของจริงผลของความจริงปรากฏไปดูสัญญาทั้ง10ทั้งส่วนอสุภสัญญาอนุจัสัญญาอานันตสัญญาสปะโลกะอนัตพิรตสัญญาไปดูท่านพูดเอาปฏิกูลสัญญา โลเกอนะพิรัตสัญญาพิจารณาถึงความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกพิจารณาไปิโนกตันพิจารณามานี่ก็ตันพิจารณามันแลก็ตันเจอหมดฉะั้นคนจะเบื่อโลกนะพิจารณาแล้วก็เบื่อโลกมันทําให้ม้วนกลับม้วนกลับคําว่าม้วนกลับคือจิตมันไม่เกาบไม่เกี่ยวไม่ผูกไม่พันถ้าจิตเป็นอย่างนี้จิตถึงขั้นนี้แล้วจิตจู่ได้อยู่ใน สัม衲เพศได้อยู่ในเพศที่สงบสงัดได้อยู่ในเพศที่มีสินมีธรรมได้แต่ถ้าตรงกันข้ามมันไม่มีม้อนกลับแหละมันมีแต่จะปล่อยเ ข, าข้ารอกเพงห่อเหมือนปล่อยแย่ปล่อยกข ร, รอกกระแตปล่อยลิงเข้าป่านะใจที่มันไม่เคยเห็นโทษเป็นอย่างงั้นแหละเพลินไปกับโลกหลงไปกับโลกเพลินไปกับโลกมันไม่จบ ไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์ไม่รู้ว่าอะไรคือคองทุกข์กรีลิีมองพันไปอยู่อย่างนั้นแหละไม่เบื่อไม่น่ายไม่มีอารมณ์ที่เปลี่ยนธรรมไปเคลื่อนไปแฝงกันใน ห, หัวใจดรงนั้นนี่กลับจะกลับแร้วจะพักไหนฮะกลับแล้วโอ้ยเอามาทั้งคืนแล้ว สวยป่วยหนักจากเรื่องตายฟอกไตาอาทิตย์ละสองครั้งเมื่อวานเราเข้าไปดูาวานก่อนเราเข้าไปดูมาเป็นการฟอกเป็นครั้งที่ห้ามาเป็นครั้งที่ห้าแล้วแต่ว่ากําลังดีวันที่เราไปเยี่ยมวันนั้นกำลังดีพูดได้คุยไ ด, ด, ได้อะไรได้ เ้วเข้าไปเยี่ยมมวันก่อนเนี่ยกำลังอ่อนมากพูดได้สองสาคำแล้วก็หลับไม่ไปเลยอยูย่อยู่อยู่ห้องพิเศษห้องพิเศษสองไปเยี่ยมเมื่อวานเมื่อวานก่อนเนี่ยไปเยี่ยมที่ห้องไอซียงสเลยไปพักที่อาจารย์สวัสด์อาารสวัสด์ไปเผา ศพแม่อาจารสวัสดิ์แม่อาจารสวัสดิ์เผาหน้าสล า, าเราเสียจเราก็กลับเราไปนอนขึืนหนึงเแล้วก็กลับกลับมาวันนี้เอาไปเผาศพอาจารสุนันท์อีนี่วัดป่าสัทธาธรรมเนี่ยเดือนก่อนสองเดือนก่อนก็อาจารสมุทรเจ้าวาเ น, <c oughs> นี่ยอาจารสุนันท์ีกเได้กี่วันละสองวันหรือสาวันไอเ้เขีย สองสัปมือเนี่ยเผาเผาวันนี้มาเอาไว้โทรมาบอกมันไปเผาศพอยู่แล้วดิเราไปหาไม้พอดีกลับอย่างน้องคายมาเข้าไปหาเขาก็ใบมงกว่าแล้วชาวระเทศก็กลังเทศดิเทศเสร็จแล้วมรดิกาบางสกุลเสร็จรับของจักผ่านกลับหม่เอาของ มากเลยมากกบังเกิดก็บังเกิดใส่ที่ห้องพระแล้วก็ใส่ใต้ถุนบันไดตรงนั้นบันไดรวมไปทั้งหมดก็ยี่สิบแปด 24 28กับ25หเป็นเท่าไหร น, น่าเกียนเฮะที่ดำที่เ้าที่แปครับที่ดำยี่้มันต้อง50กว่าตารางเมตรตอนตดอแสนกว่าเราเห็นมันถูกถูกดอกถูแสนกว่าก็เลยตัดสินใจเล้และอบอุามา่มไม่เราไม่เหลือนั่นแหละ ไม้ที่เราสามาเนียเราจะใส่ข้างๆนะข้างๆการมาอีกเยอะเลยสั่งมาเผื่อมีเวลาก็ช่วยกันนะมูน่ะบางคนน่ะกินแล้วนอนกอนแล้วนิน่งนะมาช่วยกันรู้ว่าภาระหนักบางคนน่ะป่วยตลอดการบางคนไม่เห็นหน้าเลย ก็ดีไม่นี้อดข้าวตลอดกาลนี่นะบางคนอดข้าวแล้วก็ป่วยแล้วมุรู้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตัวเองหรือเปล่าไม่ดูอะไรหมูไม่ดูหมูกระดกวัดเขาอยู่ก็าทำตัวยังไงท่านจึงหาท่านให้มีข้อวัด คนทิ้งข้อวัดบางคนน่ะเป็นพระเป็นเนรก็ต้องทําตัวให้เหมือนพระเหมือนเนรตัวไมเหมือนพระเหมือนเนรมันจะคุ้มค่าข้าวเ ข, า, ขาแหละเป็นควาย<ช>เขาไถนานตายเป็นไปเป็นเป็นควายแน่ๆแลยเขาไถนาเพราะอะไร เป็นนี่เขาอ่ะไม่มีบุญให้เขาอ่ะเป็นควายเขาใช้แรงอย่างตัวยับขยื่นกระดดกจะร่วงเรื่องกินเรื่องนอนไม่อั้นเรื่องการงานเรื่องงานไม่เอาอดทิงขอหวันไม่ได้เลยอย่าเล็ดขาด ไม่ช่วยตัวเองใครช่วยเราพราะแม่ท่านกับทามาแล้วเนี่ยเป็นตัวเป็นตนออกมาแล้วเนี่ยจะไปพึ่งพาท่านอะไรนักหนาตีมก็มีมือก็มีสติปัญญามันสมองก็มีไม่ยอมทำให้ดีค่อยเอาตอนมันเป็นลิงน่ไปทําอะไรได้พัฒนาอะไรได้ ตอนเป็นกรอบกระแตมเปไปพัฒนาอะไรได้ชาติความเป็นมนุษย์ตัวมาพัฒนาได้คิดขึ้นยังไงมันคิดยังไงแปลกกระแตหัวใจมันเป็นยังไงคิดยังไ ง, ไ, ง ไ, ไม่รักดีรักเลว ไม่รักดีไม่คิดถึงพ่อถึงแม่ไม่รักษาประคับประองพ่อแม่ตัวเราทั้งรุ่นเนี่ยแหละคือพ่อแม่ทำไมไม่รู้จักเอามือเอาตีนไปกราบให้พ่อแม่ได้บุญบ้างเอามือเอาตีนไปทำคุณงามความดีให้พ่อแม่ได้บุญบ้างนี่คือพ่อคือแม่ ก็ทุกคนพ่อแม่ให้ดีคือตัวเราเนี่แหละคือพ่อแม่รู้จักบ่เอามาจากไหนเลือดเนื้อมาอย่างไรเอารเลือดสะยัดไปเกิดในเท่าแม่ไม่มีเรากูซาให้มาอุูสาพากันปลูกนั่นน่ะฟังงนี้นึกถึงอาจารย์สุธรรมท่านเล่าให้ฟังท่า น, นบอกว่าผู้หญิง ไม่ไม่ออกคนหนึ่งออกเวลาตั้งท้องมาทำน้นท์ทำนี้ก้อมืออะไรมากๆมันอะไรแท้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเป็นอยู่อย่างนั้นแหละตอนหลังมาหมอเขาหาหาเหตุเจอเขาบอกต้องต้องไม่ไม่ให้ขยับ <c oughs> นอนพอเริ่มตั้งท้องให้นอนอยู่อย่างนั้นแหละไม่ขยับ ด้วยเหตุที่หมอก็แนะนําและระวังดีระวงัะวงได้ดีลูกเลยติดอยู่จนคลอดออกมาพอคลอดออกมาโอ้ยดื้หมหาสารเลยท น, นี้ลูก อ, อะไรมาเกิดกันไปลูกโอ้ยตะกูวนนวรวยกูไม่ต้องออกมาหรอกกูพยายัมรักมันถนอมมันทะนุถนอมนนนอมันหวงมันตั้งแต่ลูกมันอยู่ในท้อง ให้มันโตขึ้นวะให้มันคลอดออกมาเป็นผู้เป็นคนถ้ารู้อย่างนี้คุณไม่เอาไว้นแน่มันดูสิตัวอะไรตัวบาปมันไปเกิดเห็นไหมบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆบางคนน่ะแต่งงานแล้วไม่กล้ามีลูกเราไปเจอลูกแบบนั้นน่ะก็มีเห็นคติตัวอย่างมาเยอะแล้ว สะท้อนมาที่พวกเราดื้อเนี่ยไม่อยากใช้วันเวลาให้เกิดประโยชน์นหนังนักเข้าไปเอําำลายตัวอยังไงอีกเราก็ไม่รู้อย่าลืมว่าอัตริยตตะ น, นาโถนะตัวใครตัวมันนะ หมเพื่อนอยู่ด้วยกันเลอครูบาอาจารย์อยู่ด้วยกันเลยท่านเป็นแค่เพียงปรปัจจัยมาเกี่ยวข้องมาบอกมารู้มาเรียนมาสอนมาอะไรอะไากันแค่นั้นเองเป็นปัจจัยอื่นคติตัวอย่างดีๆมากมายบอกสอนเนีเตือนแต่ถ้าเราไม่เอาก็คือไม่เอาก็คือไม่ได้ ที่สคัญสุก็คือต้องอัตตปัดใจน้อมเข้ามารับเข้ามาถือตามเข้ามามนุษย์เราเนี่ยมันเกิดมันมีกติมีตัวอย่างมันมีเยี่ยงอย่างมีผู้ใหม่มีผู้เก่ามีผู้รู้มีผู้ไม่รู้มีพ่อมีแม่รับการบอกสอนกันมาว่าถ้าทมนุษย์มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้้าเกิดเหมือนอย่างที่ ที่เราเมื่อกีนี่แโอ้อะไรมาเกิดก็ไม่รู้บางคนบางคนมันบางคนไม่อยากมันเป็นเขาไปหาความสุขสบายมาติดซะเขาก็แทงทิ้งเขาหาความสุขสบายไปเกาะได้เขาก็แท้งทิ้งอันนี้ก็ต้องระวังอย่างกันบางคน พอไปเกาะปักก็ส่องดูผู้ชายหรือผู้หญิง <c oughs> อย่างไรผู้ชายผู้หญิงก็เอาทิ้งแทงทิ้งนี่มันยังยงี้วก็มีแต่ประเภทที่ว่าเราเอาออกเลือนี้อันนี้เป็นบาเป็นกรรมเขามาเข้าอยู่ครั้งหนึ่งครับแทงออก สครั้งกับแทงออกสองครั้งกับแทงออกแทงเขทิ้งออนะที่พบแล้ว เ, เขามาเก่อได้คลอดออกมา <laughs> เหมือนที่ว่านี่แหละโอยดีไม่ดีมันเอาชีวแม่มันเลยเนี่ยตายตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องนั่นมันเอาแม่เลยเพราะเพราะทํามันหลายรอบมาแล้วดิทํามันมาหลายรอบแทงก็คือค่าคนนะรู้จับบกบ้าแทงคือฆ่าคน บาอาจารย์ทัานสอนเราแท้ก็คือข้าของพราะเลยเข้ามาเกิดได้ตายแล้วมันเอาคืนอะไรตัเนี้ดีไม่ดีมันปลออกมาเป็นรูปเป็นราเป็นตัวเป็นตัวขึ้นมาโอ๊ยก่อนอุบาทเจ้า ก, กรรมในะไอเราเนะี่ยรักมันจะเป็นจะตายมันจนะเอาหากเราให้ตายแต่หัวใจของเราเนะี่ยรักมันจนจะเป็นจนจะตายแต่ตัวมันเอง <laughs> มันจะเอาชีวิตเรา <laughs> จากอะไรครับ เอาอยากอะไรก็เอาอยากเล่าก็เอาอยากยาวบ้ากเอาอยากนู้ก็เอาไม่มีอะไรจากบีคอเอาเงินไปซื้อกินไม่มีทุบทิ้งเตะทีบข้าโนนรู้อยากว่าเรื่องตอนนี้มันไปจากอะไรไปจากสินจากธรรมนั่นแหะขาดสินขาดธรรมไปจากอะไรอะไรที่เป็นหลักที่พูดเมือนตนตนเ น, นีอะไรที่เป็นหลักมันก็ไปจากกรรมน่ะ อยากไม่มีคือกรรมศึกษาเรื่องกรรมให้มากจะทำให้เราเป็นสัมมาทิฏฐินะโอเคนี่แหละวันนี้